รในหมวดกายารุปัตสดาโฮปฏิบัติโน่มัประสงค์จะจดจำโฮข้อธรรมบัตไว้ให้มาก เมื่อได้ฟังข้อีตทรงสังส่งสอนให้ปฏิบัติในการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็น้อมเข้ามากำหนดลูดลมหายใจเข้าออก ที่ตนเองก็ระทุกคนต้องให้ใจเข้าต้องให้ใจออกสุวโดยปกติแต่ไม่ได้สั่งสติกำหนดให้รู้ เพื่อให้กิดตั้งมั่นเป็นสมาธิและเพื่อให้เกิดยานปัญญาความอย่างรู้ซึ่งเป็นตัวปัญญาหรือปัญญาที่เป็นตัวความอย่างรู้ ในการทำสติและการทำยาณปัญญาดังกล่าวเมื่อปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็ไม่ยักคือไม่ปล่อยจิตให้ฟุง้งซ่านไปในที่อื่น กำหนดเข้ามาดูกำหนดที่ลมหายใจของตนเองซื่งเมื่อกำหนดก็ย่อมจะรู้ว่าเราให้ใจเข้าออกอยู่เราให้ใจ เราหายใจเข้าอยู่เราหายใจออกอยู่ลมจะรู้ที่ตนเองและเมื่อกำหนดให้จิตตั้งรู้อยู่ อย่างนี้ก็ย่อมจะรู้ว่าเมื่อให้ใจเท่านั้นลมก็มาสัมผัสกระทบที่ริมผิกปากเบื้องบนหรือเื่อปลายหรือกรงจมูกเข้าไปร่างกายก็ปรากฏว่า อุทธร์คือท้องของขึ้นก็ทำความสงบเหมือนอย่างว่าลมไม่ใจผ่านจากปลายจมูกเข้าไปสู่อุทธร์ที่ของขึ้น และเมื่อออกอุทรคือท้องก็ยุบลงแล้วก็ผ่านออกมาถึงปลายจมูกล็มากระทบปลายจมูกเป็นวิธีกำหนดที่พระอาจารย์ได้สอนไว้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึง ทางกายวิภาควิทยาคือมาให้ใจเข้าไปสู่ปอดรือออกจากปอดเพราะว่าไม่สามารถจะกำหนดให้รู้ได้สามารถจะกำหนดให้รู้ได้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 และก็สมมติเพิ่มเอาว่าผ่ายอุระคือทรงอกจันเป็นจุดกลางฉันจุดกลางนี้จะถือเอาว่าเป็นปอดก็ได้เด๋ยวก็ไม่จำเป็นต้องเป็นึกถึง กำหนดอยู่ที่อาการอินลมมากระทบและที่มีอาการของร่างกายของอุทธรคือท้องที่พองขึ้นหรือยบลงตั้งจิตกำหนด ลมหายใจที่เข้าสมมติลงเป็นสามจุดต่าง 9. เมื่อเข้าก็เข้าที่จมูกและไปสุดที่อุธรอนเมื่อออกก็ออกจากอุธรอนและมาสุดที่ปลายจมูก ก็สมมติเราเพียงเท่านั้นถําเป็นที่ังของสมาธิให้จิดรวมดังนี้และเมื่อรวมจิดได้ดังนี้แล้วเวทนาก็จะปรากฏ ปรติเป็นสุขแต่ก่อนที่จะไม่เป็นปิติเป็นสุขทุกขเวทนาอาจจะปรากฏ ก, ก่อนเมื่อเริ่รรมทำคืออาการที่จิตใจเหมือนังถูกบังคับให้มา กำหนดเหมือนยังถูกบีบคั้นใหไมากำหนดอันทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ เพียนร่วงทุกอันนี้ได้แล้วชื่อหมายความว่าไม่ยอมเลิกแต่ว่าคงเหมือนอย่างบังคับจิตจิตฝืนจิตให้ทำต่อไปจนจิตเชื่อมเขา้าจิตรวมเขา้า จะปรากฏมิตฉาของสมาธิเึงนเหมือนแสงสวา่าง่เมื่อเริ่มในสมาธิก็จะเริ่มได้ปิติได้สุขในสมาธิอันนำให้จิตที่ไม่ชอบนั้นกลับชอบขึ้นมา กดตั้งอยู่ได้ดังนั้นในการปฏิบัติดังนี้กดส่ององาศัยประธานะคือความเพียรที่ตั้งขึ้นไม่บึ่อลไม่ยอมที่จะสละความเพียร ต้องอาศัยอธิบายพยุงความเพียรต้องอาศัยอินทรีย์คือความเป็นใหญ่คือให้จิตที่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 เป็นสิ่งที่ทำได้และให้ผลดีจริงเนี่ยก็ต้องมีพลังคือกำลังใจในการปฏิบัติเป็นอันว่า ต้องมีสมปทานต้องมีอธิบาิต้องมีอินทรีย์มีพละในการปฏิบัติซึ่งหบดนี้ก็ลงอยู่ที่จิตหรือใจนี้เองจิตใจต้องตั้งความเพียร ไว้เบื้องหน้าให้มันคงใจต้องมีอิทธิบาทคือต้องพอใจในการปฏิบัติเป็นต้นใจต้องเป็นใหญ่ นือกิเลสใจองมีพละคือกำลังในอันที่จะต่อสู้กับกิเลสและเมื่อเป็นลังนี้แล้วอาณาปาณสติก็จะสำเร็จ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 ว่าเรื่องเป็นอันเดียวกันเป็นสติที่กำหนดรู้เป็นญาณปัญญาที่อยางรู้ลาไม่ใจเข้าออก ก็จะปรากฏแก่ความรู้ที่เป็นดวสติและปัญญานี้เวทนาจิตธรรมที่รวนอยู่ก็จะปรากฏขึ้นตั้งอาจที่จะรู้ได้พร้อมกันว่านี้กายนีเวทนานี่จิตนีรทม หรือว่านี่ลมหายใจนี่เวทนาเป็นสุดนี่จิตและนี่ธรรมะคือเรื่องในจิตก็ได้แก่ลมหายใจนั่นเองคือเป็นเรื่องในจิต แวลาสติกับยาณปัญญานั้นก็เป็นเรื่องในจิตต่พร้อมกันเพราะฉะนั้นจึงมาถึงสติสัมโพชฌงค์ซึ่งคำว่าโพชฌงค์นั้นแปลว่า ธรรมะที่เป็นไปเพื่อความรู้นี่ธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสัะ ร, รู้เป็นพระพุท ธ, ธาธิบายที่เมื่อพิสูุรูปหนึ่งเรียกราภูลถามแบอเกเรกว่าโพชองนั่นคืออะไรเราตอบกว่านี่ธรรมะที่เป็นไปเพื่อความ สู้จักรูวเรื่โชงเพราะฉะนั้นสติที่เป็นโพชฌงค์นี้ก็เป็นสติที่กำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมรวมเข้าเป็นก้อนเดียวกัน และเป็นความกำาหนดรู้ที่รู้อยู่ภายในจิตความกำาหนดรู้ที่กำหนดรู้อยู่ภายในจิตนี้ก็คือเป็นตัวธรรมารมณ์อารมณ์คือธรรมะเรื่องเรา ไม่ที่รูปลมหายใจเขาออกที่เป็นธรรมธรรมารมอยู่ในอีกใจนี้เจงไม่ใคยลมหายใจเขาออกที่เป็นรูปคือที่มากระทบปลายจมูกหรือที่ทำให้ร่างกายแสดงอาการหายใจเป็นท้องพ อ, องของยุบ เป็นลมหายใจที่กำหนดรู้อยู่ในจิตเป็นตัวธรรมอารมณ์ในจิตซึ่งมีอารมณ์เดียวไม่ฟูกสร้างเป็นสูตรที่อื่นจิตที่กำหนดรู้นี้ เมื่อเป็นตัวรู้ที่เป็นสติกำหนดอยู่ภายในจิตทุกอย่างเป็นธรรมารมณ์ดูในจิตเป็นตัวรู้ในกายคือลมหายใจเขาออกเองในเวทนาเอง ในตัวจิตเองในธรรมะในเรื่องของจิตเองกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นอารมณ์เมื่อเมื่อปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้สติระยาณปัญญานะีเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้อยู่ในภายใน เมื่อเป็นตัวรู้ที่รมามามดดมวม เ, เข้ามาทั้งหมดดังนี้ก็เป็นสติสัมโขชงหลังกล่าวเป็นตัวสติที่ประกอบด้วยปัญญาสือญาณปัญญารู้รวบยอดข้ามาทั้งหมด เป็นอันเดียวกันเหมือนอย่างคนที่ยืนมองเก้าอี้ที่มีสี่ขาเห็นพร้อมบนทั้งสี่ขาเก้าอี้ที่เป็นสี่ขานั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกตามองตาซึ่งเป็นภูมมองก็มองเห็นทั้งสี่ขา ซึ่งที่แรกนั้นก็แยกมองทีราคาทีราคาแล้วก็มารวมเห็นทั้งสีข่ขาเราเดียวกันทั้งหมดเป็นสติสัมผัส์อมและเมื่อกติดวงพมรู้ดังนี้ ผ่านเข้ามาแชรกแสงอันทำให้สติวั่นไวาไม่อาจจะ กำหนดรู้รวมอยู่ได้จะพึงบังเกิดขึ้นได้เพราะว่าในจิตนี้มีกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัย นอนจมหมัดนองอยู่มันเป็นอย่างละเอียดที่เปรียบเหมือนเป็นตะกอนก้นตมเชียบกั อ, อนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตจะเปรียบเหมือนสิ่งที่ร อย่างละเอียดเหมือนอย่างเครื่องทำให้เมาที่ถักคนอยู่ในน้ำเมาดูน้ำเมาก็เป็นน้ำใส แต่ว่ามีเครื่องทำให้เมาละคนอยู่หรือเปรียบเหมือนว่าน้ำที่เป็นสีแดงสีเขียวก็มีตัวสีที่แดงหรือเขียวปนอยู่แม้น้ำจะใส น้ำว่ายางเป็นสีแดงสีเขียวนั่นเองหรือว่าแม่น้ำจะใสเหมือนอย่างน้ําขาวขาวหรือน้ําที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นน้ําเมาอยู่นั่นเองเมื่อมีความเมาปนอยู่สิ่งที่ปนอยู่ยางละเอียดดังนี้คือตัวอาสวะหรือแปลว่านองจิต และยังมีอาจตนะคือตาหูจมูกเิ่นกายอะมนนาะคือใจที่รับอารมณ์ต่างๆอารมณ์คือรูปเสียงเิ็นรสผลพระและธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลายและเมื่ออาจตนะที่เป็นภายใน มาประจบกับอาเจน่าที่เป็นภายนอกก็มาทำจิตให้ตกจากสติที่ตั้งไว้นั้นได้ทำให้ฟุ้งซ่านออกไปได้ทำให้เกิดความยินดีความยินร้ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีสติกำหนดดูให้รู้จักความที่เป็นสติที่รวมเข้ามาได้กับความที่สติต้องสลายตัวให้รู้จัก อาการที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันของตัวเองอย่างนี้ต้องอาศัยสัมโพชฌงค์ข้อที่สองคือธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์อันเนื่องมาจากสติเสนอ อาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นในจิตอันประกอบด้วยสติสติก็ย้อนคำนวดรู้ได้มารู้ได้ก็เสนอปัญญาในจิตนี้เองพิจารณาเลือกเป็นธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตนี้เอง เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือให้รู้จักว่านี่กุศลนี่อกุศลนี่มีโทษนี่ไม่มีโทษนี่ละเอียดนี่ยากนี่มีส่วนเปรียบเป็ียบดำและขาว วิจัยเยเลือกแก้นจิตทุกประเดงให้รู้จักก็ต้องอาศัยสติเสนอสิ่งที่มังเกิดขึ้นในจิตเพื่อวิจัยด้วย และจะปิดอดอเล็กได้ถึงคำของท้าวคุณริจาวที่สัตย์สอนไว้ในวิธีที่จะวิจัยทั้งในด้านกุศลทั้งในด้านอกุศล